มาพระมัได้บ่าไปไกลว่ะยางใจแล้วแล้วก็มองทังไปทั้งมานี่เป็นยัง มีคน่างบ้างเหรอเด็กใ <c oughs> ส่บสื้อเขาเขาเห็นหลายหลายมือเขาก็ถามอยู่รอไปอยูบะโท <c oughs> ่เป็นลูกปูช้ามากๆหผมกับอินยุบเป็นเดือนเป็นเดือนทั้ง d ด y บอกเอิฝนหน่อยหนึ่ง ไปจมเมืองก็จะว่าเอ๊ะไปอย่างจมเหมืองเนาะ่าร <c oughs> บาทคนไทยที่เป็ไก่า <c oughs> ากอาลาคนไทยก็ชียรถพัดามาทังนั้นก็จอดไสก็ได้อยู่าเเขาเห็นว่าอเาอย่างไรบาทจว่าียังว่า อยู่ในพันทางนั้นเวลาได้เป็นมากเห็นจุ่งเห็ดจุ่งยากโยบเราได้รู้ได้เห็นเม็นก็ได้เป็นตบะการเผยแผ่พระศาสนามันมาค่อยเลื่อนลุ่งเรืองขันขัดขันมีตบะขัดสัมมาอาตถะบินรียาโลปโภชดัง นิชายาบรรภาชาตัทธาเตยวะทีวังอุตระโหกรับนิโยอุปสมบทและบรรภาชาเเก็ใกล้เคียงกันนะถ้าบรรภาชาเรียกว่าเป็นสมรมเนจรัฐอุปสมบดาก็แปลว่าเป็นบวชเป็นชาติเป็นพระในบิณฑบาตยังคิดตลอดชีวิตเถิดเนี่ยโปรดจับเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ลงมาบิณฑบาต เจ้าตุทโทจันทร์ย่ใจว่าลูกชายเป็นลูกกษัตริย์ไปขอทานเขาที่บ้านก็เตรียมไว้เยอะๆอภิปณีของพระพุทธเจ้าก่อนๆเนี่ยพวเจ้ายึดอภเปณีอภิปณีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ทํามาอย่างนั้นอนนี้สงเนี้อ <c oughs> อย่างทำขาม่ได้บินถัดบไยิ่งไกลยิ่งรูปกี่กิโล <c oughs> ก็ยังบินถัดบไแต่หลวงปู่ปันก็ใช้อุบายให้ญาติโยมมาครึ่งหนึ่งปันทางกันพระเดินไปครึ่งหนึ่งโยมก็เดินมาครึ่งหนึ่ง <c oughs> ถ้าพระเดินทางเดียวมันไกลเกินไปก็ให้โยมได้มีโอกาสได้เสียสะละได้ทําทานเลย ให้ <c oughs> คนมีกิจศรัทธาปลูหวังกิจศรัทธาควรเชื่อควรเริ่มใสได้อา น, นิสงค์ด้วยการทําทาน <c oughs> แบ่งปันถ้าประสงค์ไปอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าอา น, นิสงค์ก็ไม่มากเขาเดินทางมาอีกเย <c oughs> <c oughs> คนเชื่อควรเริ่มใสม่ป่าสาทะควรเชื่อควรเริ่มใส่แต่สมัยก่อนมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์ นิดๆห น, น, น่อยก็พอแกกกันปั่นกันเอาแ <c oughs> ต่บาทจะมาเปิดเอากระหอ <c oughs> เอาน้ำร่อนเตรียมไว้ให้หลวงปู่ร่างมือมาละลายปะลา <c oughs> แแต่ก่อนเขาบมีปลาาบองคือสมมือหรอเราปลาแข็งปิ่งปลาแข็งใส่บาทแต่พิตะกา หลวงพ่ออนริ้นเอาตนามแกกกันว่าจะจำถุยไปถุยมาแล้วพร <c oughs> าใหม่ก็ทนเอา <c oughs> อดใจได้เป็นพระไม่ใช่ง่ายๆนะจะเป็นพระถ้าพูดว่าง่ายก็ง่ายถ้าพูดว่ายากต้องมีความอดทนเนีนยไหมล่ะมะ <c oughs> บวชมาสิบโลกยังเหลือคนเดียว ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยได้ได้คนหนึ่งก็ได้อานิสงส์ฝึกขนอบรมให้ญาติโยมรู้จักพระพุทธศาสนาก็ได้อานิสงส์ญาติโยมคนหนึ่งเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาก็ได้อานิสงส์ฝึกขนอบรมญาติโยมแนะนําสั่งสอนออกคนญาติโยมให้เข้าใจเรื่องการเป็นประชาอุปสมบทหรือบวาเป็นพระเป็นเนนได้รูปหนึ่งก็อานิสงส์มากเพราะเป็นการต่ออายุ พระพุทธศาสนาถ้าไม่มีใครบวชเสียเลยใครจะต่อทีนี้ก็หมดนะอย่างพระพุทธเจ้าหมดไปแต่มีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยนะเนื้อหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าครบช่างสามรสนะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อย่างบางศาสนา มีอะไรล่ะอย่างศาสนาอิสลามหรือพอระเยซูหรืออะไรก็แล้แต่มีแต่คำพีผู้สืบทอดไม่มีน <c oughs> ี่ของพระพุทธเจ้ามีคำพีแล้วก็ยังไม่แล้วก็ยังมีผู้ปฏิบัติตามเห็นไหมชาติชิดแล้วในประเทศไทยมีพระกี่รูป ก, กี่รูป <c oughs> แต่ไปเสียอย่างเดียวที่ไม่เอา คำว่าพระป่าไปเยอะๆนะเยอะอยู่แต่ว่าปฏิบัติตามหลักสุปฏิปโนหายา น, ะ, นะแต่ก็ดีกว่าไม่มีปุชุปฏิปโนญายะปฏิปโนซามิกิปฏิปโนอนุตรังปุญจักเจตังโลกัส ะ, ะถ้าปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่ใช่เป็นเนื้อหน้าบาปยายะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแต่เขาว่าดีหรือชอบอย่างนี้แหละบาคนไม่เข้าใจถ้าเข้าใจไม่มีหรอกอยู่ในเรือนต่ําจําไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็ได้ต่างมาเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เพิ่มไปอีกกี่ปร ะ, ประเภทนะรัตมนตรีอะไรต่ออะไรเข้ามา เปลืองจะตูปัจจัยของประเทศชาต<ร>ิก็ไปจากประชาชนนะประชาชนนั่นแหละาภาษีค่ารุ่นคาานี่เอาไปก็ไปให้พวกนี้แล้ถ้าอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพูตเจ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่ฆ่ากันไม่ขโมยของกันไม่โกหกกันไม่จินดีกับของตนเองจินดีกับของได้พอใจกับของมีทา ทุกคนอยู่ในข้อนี้ใ่ตงจุงหยานะนะไม่ทั้งมีแล้วจึงวางศีลธรรมเอาไว้แล้วยังวางกฎหมายเอาไว้อีกยังไม่อยู่อีกจะไว้ยังไงหรอเห็นไหมกฎหมายโปนเขาขโมยเขาก็ได้ถูกจับเหมือนกันแต่ไม่หนักนะถ้าไปฆ่าเขาอีกจา นักกำหนักเข้ากองเหล็กเนี่เราได้ยินหรือพูดกองเหล็กกองเหล็กก็นี่หละเสือหิีวเอาเนื้อไปล่อเสือหนียวเหิีวเท่าไหร่ <c oughs> กองดีเท่าไหร่มันก็ลื่นกองออกมาได้เห็นไหมถ้าเอาเสืออยู่ในใจเราล่ะเสือความรักนะนี่ประเทศไทยไม่ได้เอาเนื้อไปล่อเสือนะ ึงจิตเยอะแยะนั่นเห็นไหล่ะนุ่งน้อยหมน้อยนั่นแหละเอาเนื้อไปล่อเสือถ้าปกปิดบ้างมันก็ไม่มากกิเลสมนุษย์บางคนผมเห็นก็จะเห็กูแท้กูสิฟาดมันก็ได้อี่นี่เมื่อใดนอกจี๋ยองสันเห็นไ่มล่ะไปทำยุ่ยยวนนะไปไปมามันก็ควมดําดีอยู่บ่อยๆมันก็ยุ่ยยวนกวนอยู่บ่อยๆมันก็นั่น ปัญหาหน้ามืดเห็นไหมล่ะอะไรล่ะปัญหากามตันหา้าเนี่ยตัวกามนี่แหละตัวใหญ่ที่สุดอเพราะฉะนั้นกันเต <c oughs> เบรกจุดนี้แหละอดใจนะโดยเฉพาะพระพนหนุ่มพระแนนหนูครูบาอาจารย์ย่ำแล้วย่ำเรื่องครบเรื่องฉันนะเราใส่ความอดทนบ้างแล้วก็ไปแบกตัวนี้บ้างคือมันผ่อนออกไป ที่ในทางโลกไงแม่หละ่ะตื่นขึ้นมาไขรรว ก, กับกาแฟเสริมกำลังมาตัวแบบ <c oughs> พระเจ้าจึงให้มีขั้งเดียวแต่เป็นยุ่ ง, องอนักเกิดมันเสริมกำลังถ้ากำลังแรงก็กิเลสมันก็เพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเข้าอีกอยากให้รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงเข้ามาศึกษา น, ะน ะ, ะได้ลาได้อานิสงส์งเยอะ พ่อแม่พี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้อันนี้สงเยอะไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะได้มาตั้งอกตั้งใจเสียสละมาบวชในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่ใ น, น้อยๆนะแต่ส่วนมากไม่เน้นหนักภ า, กภาคปฏิบัติไม่ต้องไปท่องเอาท่องเอาเอะไรเรียนทำตีทำโตทำเบรกเอาอพระใหม่ให้ได้ทำตีทำโตทำเบรกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสอบก็สอบในรรษาไปด้วยนะสอบนักธรรมตรีนั่ะ ยังมีคนได้ทักคาตีเยอะสามเดือนก็ได้ตอบนักคำตีได้แล้วถ <c oughs> ้ออกบนคารวาะจะโยมไปเรียนต่ออีกก็ได้ทีนี้่ําโททําเอกไปมาก็เทียบให้เ่ะเรียนจบทั้งโลกได้มหาปริญญาก็เทียบให้กได้ป ร, ริญญาใต้เหมือนกันเ <c oughs> ติมนไปยึบทางเรียนนะถ้าเราเอาคําของกุญแจ้าเราได้เรียนอยู่จึงได้บวช ขุปชาให้ว่าอย่งไรท่านต้องท่านจงตั้งอ ก, กตั้งใจเรียนพระกรรมฐานที่บรมบรปกระบุาอาจารย์เคยสั่งสอนมาก่อนจะได้ผ้าก่อนจะมอบผ้าให้เจซาโรมานาคัดันตาตะโจตะโจดันตานาค่าโลมาเกซาไม่ใช่ว่าลบเดียวนะให้ว่ากลับไปกับปาตะโจดันตานาค่าโรมาเจซา แต่ว่าพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกปลัมาให้เห็นเป็นไปตามความจริง น, นั่นอุปชาสอนเราเราได้เรียนแล้วนะถ้าบอกว่ากรรมาฐานนั่งหลับหัวหลับตาไม่สูตรไม่เรียนว่ากันอย่างนั้นนะถ้าเอาเหตุผลจริงๆแล้วไม่ได้เรียนไม่ได้บวชขอให้เรียนกรรมาฐานได้ก็ไปว่าใช่ได้แหละนี่เรียนกรรมาฐานไม่จบจะจบแต่ในพระไตรปิฎกผมคนเล็ะฟันหนังจบไม่ที่ไหน ถ้าไม่จบจุดนี้ก็หนตัวถ่ายก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมในยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรบในผลในขนในเล็บในปันในหนังมันนี้แปลว่าเห็นตามความจอมปลอมแปลว่าโลกาเห็นแบบทางโลกโลกามิตรไม่เหมือนโลกุตระไม่เหมือนนิรามิตรนิรามิตรสุขสุขในศิลในธรรมนั่นเห็น ทำความเป็นจริงว่าผมไม่สวยไม่งามผนไม่สวยไม่งามเล็กไม่สวยไม่งามฟันไม่สวยไม่งามหนังไม่สวยไม่งามมันตัดเล็บมาใส่แก้วจินไดบอเห็นผมเสร็จหนึ่งจะดึงออกคุณตัวเวลาดักเดี๋ยวเวลาหลงเนี่ยนะเขาก็รู้จักคําว่าหลงนั่นแหละตัวกิเลสไม่รู้จักพฤติฆ่ากิเลสเราอดเราปุ่ยฝนอดรมเนี่ยบอกมาที่เมื่อข่าวหมอส่บาทหงว่าเะ ยมอมก็ยมก็ให้แต่ให้แม่ชีด้วยแม่งั้นก็เอาเปียบพลาดเราเรียกเอาเองนั่นเห็นไหมละ่ะตามใจชอบก็ตามเฉลี่ยแตะแม่เข้าํานอง่ายินดีกับของได้พอใจกับของมีเอาให้ยังไงกินดีแค่นั้นง่ายไหมละ่ะเห็นพระบางลูกบนว่าโอ้ยสบายค่ะหลวงปู่มาแลนั่งสันเลยว่ได้ตักงาแ็ดนั้นเห็ น, นีหมนะ ถามันไม่จิ้นเวลาถ้ามันรังเจียจจริงๆมันขี้เดียดก็ต้องฉันอ๋อ <c oughs> ตาลไปตากีาก้เดือดมันจิ้มไปขี้เดียดที่ไหเอาอิหยังเข้าไปต่อไปเขี้ยวเขี้ยวขึ้นขเขี้ยวเขยวขึ้นขึ้นถ้าไม่มีน้ําลายออกมาก็ขึ้นไม่ลง่ะเขี้ยวให้มันมีน้ําลายออกมาเสียก่อนออแอแอแอร้องค่ายออกมาเป็นแยะแยะอะไรที่แบบวันจุเน่ปากขึ้นลงไปว่าเป็นอย่างบางทีก็ไอแตกปุ๊บออกมาก็กึ้นลงน้ำกันทา นั่นเราให้รู้จักหน้าตากิเลสนะได้ยินแต่ว่าฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปฆ่ากิเลสนี่เรากำลังคฆ่ากิเลสกันให้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าให้มากมันจะโอ้ยมันจะมากเกินไปก็ปิด บ, บาตเลยถ้าคนไหนโกรธในพระคนนั่นไร้บาสนั่นช่วยพระสงฆ์ถากกิเลสเห็นไหมล่ะ พุทธบริษัทสีพิกสุธรรมเนนอุบาศกอุบาสิกา <c oughs> อุบาศกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิง <c oughs> ไม่ใช่มาเสริมให้พระเกิดที่เล็ก <c oughs> บางคนใส่ถ้วยใส่จานใส่กระป๋องใส่อะไรมาอไว้ทําให้พระคุ้นเคยเลยใส่ถ้วยใส่จานพระก็คุ้นเคยไปมากบางวัดฉันในบาทไม่ได้แล้วอาว่า เลอะเทอะโอ้ยตาบ่าเงนินก็ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วพระพเจ้าก็ะตัตถลูกในบาทว่าวันปฏิตัตถลูกในบาทว่นวันนี้วันว่ า, เ อ, วาเออตามใจชอบกันไปจะไปกล่าวตู่กล่าวทําได้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าพาทำมาแล้วพระตัสถลูกมาแล้วนนะ่อยากให้รู้จักหน้าตากิเลสนะ เราไม่ได้คอยฝึกหัดจริงๆอบาอาจารย์ไม่แน่แนะนําจริงๆงก็่เขามาจับหนังสือให้สุดได้เรียนเอาท่องจุดนี้ชุดนี้เวลาจะออกพรรษาเขาจะมีสวดทอมสนามหลวงได้ทำตีจะมีรางวัลให้นอนเห่นไหมไท่องเอามีแต่ของพระพุทธเจ้านะแต่ของเรานิดหน่อยก็ยังไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นของเราคืออะไรให้เห็นใจใหเห็นใจก็เห็นบุญ เห็นบุญเราจะรู้ว่าบาปเป็นยังไงเหรอทิเห็นว่าในเรือนจำในอยู่ในเรือนจำเต็มไปหมดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปป้นไปขี้ไปฆ่าไปตีเขาไปทำอะไรจึงไปอยู่ในเรือนจำนั่นจึงไม่ใช่ข้อความของพระเจ้าเขาไปทำบาปทำกรรมที่นี่ถ้าทางโลกไปแปรนะแต่ว่าเขาป้นได้แปลว่าดีนั่นไปเขามโมยเขาได้ดี เรื่รู้จักกฎหมายแต่คำว่าดีดีที่ไหนดีไม่มีเหตุผลในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมนะถ้าดีที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนตนเองและคนอื่นไปพ้นเขาก็เดือดร้อนคนอื่นไปไปมากก็เดือดร้อนตนเองอีกใช่ไหมญาติพี่น้องร้องห่มร้องให้ไม่มีใครช่วยการช่วยงานลูกเต้าผมยันนยงได้พบกันหาถือพอติดคุกเขาคุกเข้าตารางถู ก, ก, ำกำจำลองจำจําแล้ว ดูซิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนน่ะก็ได้นั่นแหละเพราะคนเราไม่เข้าใจคำว่าทําดีทําดีและละเอียดทําคําสั่งสอนของพระเจ้าโเฉพาะพวกเราเน้นหนักกันคําว่าทําบุญทําบุญเนี่ยยังกไม่เข้าใจอยู่นะนะคือให้สงบให้นิ่งให้ใจสงบนะ่ะสุกอื่นยิ่งกลัวขมสงบไม่มีเอาคําของพระพุทธเจ้ามาแปลดูแปลให้ใจเราลูก ใจของเรามันบังไปด้วยกิเลสมันก็เลยไม่รู้ว่าบาปกับเป็นกับบุญมันเป็นยังไงแ ต, งตงแกต่างแตกต่างกันยังไง <c oughs> ค่อยทําค่อยเพลอนค่อยอดค่อยผ่านตรงนี้ไปมันก็เลยธรรมดาเป็นกุ๊งก้เป็นธรรมดาธรรมดาถ้าเราทำเคยเป็นนิสัยมันยิ่งสบายกว่าไปตักไปเอาอะไรเอาภ <c oughs> าระเพิ่มเข้าไปอีกจะล่างช่อนร่า ง, างจานล่างโน่นล่างนี่ นั่นแหะกแม้หลักคนน้อยชอบยุ่ง <c oughs> หน้าบุญกุศลนอกตอนญาตโยมล่กหลานตลอดตั้งพระเจ้าพระโฉมคือขนอบรมสวดมนไหว้พระนั่งสมาธิเจริญเมตตาภามนาปฏิบัติตามทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศล คุณกรศลพวกเราได้ทําแล้วนี้คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณประสงค์และสิ่งต่างๆทั้งหลายจงมารวมกันจงปกป้องปกปักรกษาองค์ตนนะโยมรุญญญาา่นหลานญาติพี่น้องพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ะกลมสุขกลมเจริญสุขกายสุขใจงายจากทุกโศกโรคภัยวัฒนาสิ่งในึ่งใ ด, ด, ดจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงฝักันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ดวงใดมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่งเห็นธรรมในภพชาตินี้เถิดอะพโลกา